ให้เราเข้าใจในการปฏิบัติยกตัวอย่างอ่าพระพุทธองค์เราเสียยกตัวอย่างพระพุทธองค์ของเราเสียทั้งทังปฏิปทาท่านเองก็ตามนะ ท, ทั้งทังที่ให้อุบายแนะนำทั้มสอนสาวกทั้งหลายก็ตามนะให้เอาตัวอย่าง แต่พระพุทธเจ้าสอนข้อปฏิบัติเป็นอุบายให้เราละขอนทิฏฐิมานะไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติให้สาวกทางหลายไปฟังธรรมแต่เพราะพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีความเห็นแตกกัน เช่นพระวัตรกฤตเป็นต้นก็ไปเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานานเชียงท่านก็ไพเราะรูปท่านก็สวยกิริยาท่าทางท่านก็ ง, งามมากลืมตัวก็ไปจิตอยู่ตรงนั้นแหละจิตตรงกิริยาของพระพุทธเจา้าจิดอยู่ตรงรูปของพระพุทธเจา้า ไปติดอยู่ตรงเสียงฝาพระพุทธเจ้าจนดื่มตัวนะจนในมองดูตัวเจ้าของลยมองมองไปข้างนอกทรงไปข้างนอกทั้งหมดนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผิดความเป็นจริงนั้นท่านมีอุบายสอนเราให้เราเข้าใจในธรรมะ ทีนี้เมื่อเลิกจากการสอนเมื่อเลิกจากการฟังแล้วนั้นเราก็ต้องมาสอนตัวเราเองมากระทําตัวเราเองมาปฏิบัติตัวเองมาสอนตัวเองอย่างนั้นผลมันเกิดขึ้นตรงนี้ ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นตรงที่ท่านสอนเรานั้นที่ท่านสอนเรานั้นเราเพียงแต่ว่าเข้าใจเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเท่านั้นแต่ว่าไอ้ธรรมะนั้นยังไม่มีในใจเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัต คือไม่ได้สั่งสอนตัวเราเข้ามาอีกครั้งพูดตรงไปตรงมาแล้วก็คือธรรมะนี้มันเกิดที่การกระทำมันจะรู้ก็ตรงที่การกระทำมันจะสงสัย มันก็อยู่ที่ตรงที่การกระทาที่เราฟังธรรมกับครูบาอาจารย์และอาจารย์ธนาจารย์อน่าื่นก็จริงแต่ว่าอันนั้นไม่สามารถที่จะให้เราบรรลุธรรมะได้แต่เป็นเหตุให้เรารู้จาักการปฏิบัติ ให้บรรุธรรมะการจะให้เราบรรุธรรมะนั้นเราก็รวบรวมเอาคำสอนของท่านที่ท่านสอนให้เราแล้วนั้นมาทําขึ้นในใจของเราส่วนที่มันมีทางกายก็เอาให้กายส่วนที่มีทางวาจาแล้วก็เอาให้วาจา ส่วนที่มันมีทางใจก็เอาให้ใจปฏิบัติมหมายความว่าท่านสอนเราแล้วเราก็กลับมาสอนตัวเราอีกอให้มันเป็นธรรมะให้มันรู้ธรรมะตามทรมนองนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าตัที่ปรัสว่าบุคคลนั้นน่ะมันเชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธเจ้าของเราไม่ตรัสสรรเสริญว่าบุคคลนั้นเป็นปราชญ์พระพุทธองค์สรรเสริญว่าคนที่เป็นปราชญ์นั้นก็คือคนปฏิบัติธรรมะ ให้เป็นธรรมะจนเชื่อตัวของตัวไม่ต้องเชื่อคนอื่นเขาอาการที่เชื่อคนอื่นนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่สันเสริญว่าเป็นปลาในคราวหนึ่งประชุมสงฆ์พะสรีบุตรสาวกหลายรูปนั่งฟังธรรมด้วยความเคารพ ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็อธิบายธรรมะไปให้ธรรมะไปให้ความเข้าใจไปแล้วคนที่สุดท่านก็ย้อนหลังถามถึงรสรารีบุตรว่าท่านสารีบุตรท่านเชื่อแล้วหรือยังถราสารีบุตรตอบว่าข้าพระองค์ยังไม่เชื่อ เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างแต่ว่าท่านรับฟังคำที่ว่าท่านไม่เชื่อนั้นไม่ใช่ว่าท่านประมาทท่านพูดความจริงออกมาท่านรับฟังเฉยๆคือปัญญามันยังไม่เกิดท่านก็จึงตอบรอพระพุทธองค์ว่ายังไม่เชื่อ ก็เพราะมันไม่เชื่อจริงๆมันยังไม่เชื่อมันยังไม่เชื่อแต่ท่านก็รับฟังอยู่ไม่ใช่ว่าท่านได้รับความคำนี้พูดเรียกกระชัยประมาทอนความจริงจิงองค์ภาษาดีบุตรไม่ได้ประมาทเลยท่านพูดตามความจริงใจของท่านว่าท่านยังไม่เชื่อพระพุทธองค์ท่านรสรรเสริญว่านี้พระสันตบุตรดีแล้ว นักปราดไน่ควรเชื่อง่ายๆควรใจตรองพิจารณาแล้วจึงเชื่อมีเหตุผลที่ถูกต้องมีเป็นตัวก็แสดงความว่าพระสารีบุตรนั้นฟังธรรมได้รับฟังแต่ยังไม่ได้มาปฏิบัติให้เห็นด้วยตนเอง พระไตรท่านจึงตอบพระพุทธองค์อย่างนั้นในความเป็นจริงนั้นท่านก็รับฟังอยู่อยากจะเชื่ออยู่แต่ว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะควรเชื่อไร้เพราะว่าจิตใจของท่านมันมืดยังไม่สว่างยังรับธรรมะไม่ได้ท่านก็พูดตรงไปตรงมาภาษาคําพูดนี้ก็ดูเหมือนอยากจะไปหาคําพูดที่ยาก แต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นท่านพูดตรงไปตรงมาใ้าความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าทาา่านปสานเสดิญอยู่แล้วว่าคนเชื่อตนเองคนเชื่อตนเองพระพุทธเจ้าสรรเสริญในคำที่ว่าเชื่อตนเองนี่ก็มีหลายอย่างนะมีหลายลักษณะลักษณะอันหนึ่งมีเหตุผลที่ถูกต้องตามตัจกะธรรม แล้วเป็นเหตุผลอย่างหนึง่งเหตุผลอย่างหนึง่งมีลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามตัดจะทำแล้วนี่ก็เป็นอย่างหนึง่งอที่เรียกว่าเชื่อตนเองเนี่ยมันก็แย ก, กเป็นสองลักษณะลักษณะอันหนึ่งก็ประมาทเลยประมาทประมาทเลย เป็นความเข้าใจพี่สมาธเป็นวิชาทิฏฐิไม่เชื่อใครยกตัวอย่างเช่นพีฆนกพรามในเมื่อพระพุทธเจ้าลงมาจากอไอแดดโดยกิตตูบอยู่ไงนี่พีฆนกพรามคนนั้นเชื่อตอนเองมากไม่เชื่อคนอื่น ท่านมีทิศิีสามประการพระพุทธเจ้าลงมาพักอยู่ที่นั้นกับประสารดีบุตรก็ข้ไปเรียนถามพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังหรือว่าไปแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังก็ได้คือไปอวดอิทธิพล น, น, นั่นเองความเห็นของเจ้าของนั่นอะ ข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ว่าอันใดควรแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็จึงเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านะั้นอันใดไม่ควรแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ไม่เอาสิ่งทั้งหลายเหล่านะั้นอย่างนี้เป็นต้นอความเห็นเป็นอย่างนี้ ทิดถเป็นอย่างนั้นเห็นความจริงในทีน่นี้อย่างนี้พระพุทธเจา้าท่านกอคฟังคิดถิที่ข้ายนัก่าพรามอยู่ท่านได้ตอบว่าพรามพรามพูดว่ามีความเห็นว่า อันใดควรแก่พรามพรามก็จริงเอาอันใดไม่ควรแก่พรามพรามก็ไม่เอาอย่างนี้พรามคิดอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่พรามเหมือนกันไอ้ความเห็นอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่พรามเหมือนกันพอที่ท่านสวนตอบขมาอย่างนี้ต่อพรามก็สลดใจ เพราะเราเห็นว่าอันในควรแก่ค่าค่าจึงจะเอาอะไรในควรแก่ค่าค่าก็ไม่เอาเนี่เขาต้องการอย่างนี้พระพุทธเจ้าต่ติตอบว่าไอความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ควรแก่พรามเหมือนกันได้หมดเราได้หมดพรามไม่รู้ว่าจะเอาอะไร ท่านเพยงยกอุบายหลายอย่างขึ้นให้พรามคนนั้นเข้าใจถ้าหากว่าพราม์ได้ของที่ไม่ชอบใจนั้นพราหม์จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าหากว่าพราม์อืได้สิ่งที่พราม์ที่ไม่ปารถนานั้นที่ไม่ควรแต่พราม์นั้นอพรามจะเป็นสุขหรือเป็นทุ ก, าา ก, ททนนทกข์ เป็นทุกข์พระเจ้าขา่ะามันก็ขัดกันทีกับความเห็นของเราอืเป็นทุกข์พระเจ้าขา่าถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นเป็นทุกข์สิ่งทั้งปวงนั้นไอความเห็นของครามนั้นก็ไม่ถูกต้องอะไรเลยคลางปครอยู่พิจารณาจึงเข้าใจว่าเออไอความเห็นของเราเนี้ มันไม่ถูกเพะว่าคนทุกคนเนี่ยมันควได้อารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอันนีพรามเขาเา้าจะอารมณ์ที่ชอบใจเา้าถ้าท่านถามว่าถ้า อ, อารมณ์ที่ไม่ชอบใจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็จะขาดถ้าเป็นทุกข์ความเห็นของพรามนั่นก็ไม่ถูกด้วยนี่เป็นต้น ที่นพพานนั่นเขก็ทําตามความเหยนเขาด้วยมาอันใดชอบใจเขาก็เอาอันใดไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอามันก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่มาอุตรุษกันดีแต่ทําไปดูเรื่องของเขาเมื่อพระพุทธเจ้าได้กลับตอบปัญหาเช่นนั้นความก็ลดทิ่ผีบรรณะลงปิจรารณาเดียวนั้นอะให้เห็นจะในเดียวนั้นคลิกเดียวนั้นเลย มีหน้ามือเป็นหลังมือในเวลานั้นโดยสรรเสริญในภาะสิตธิ์ของพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วว่าเมื่อได้รับธรรมะของพระพูทมีพระภาคแล้วในปัจจุบันนี้จิตของข้าพระองค์ มีความแจ ง, งแจมแจ้งใสสว่างเหมือนถ้าอยู่ที่มืดมืดมีคนมาตามไฟให้สว่างกันนั่นหรือหากว่าเหมือนกระมังที่มันคว่ำอยู่เป็นต้น ม, มันก็ไม่สามารถที่จะรับน้ําได้ในกระมังนั้นบัดนี้เมื่อได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เหมือนได้ได้ช่วยหงายตระมังขึ้นหรือเปรียบปริงว่าไม่รู้จัดทางหลงทางไม่รู้จัดทางก็มีคนมาชี้ทางให้รู้จัดทางหลายอย่างที่ท่านอุปมาอุปไมให้ฟังตรงนี้อันนี้ ไอ้อความรู้อันนี้มันเกิดขึ้นที่จิตเดียวนั้นที่จิตที่มันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนกลับอาการที่มันเปลี่ยนเดียวนั้นแหละมันพลิกเดียวนั้นแหละความเห็นผิดมันก็หายไปความเห็นถูกมันก็ตามเข้ามาความมืดมันหายไปความสว่างมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นอืม <c oughs> ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสได้ว่าที่ทขันธขพราหมณ์นี้เป็นผู้ร่วงตาเห็นทำเพราะมาในสมัยก่อนๆที่ทนขนธขพราหมณ์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความเห็นเจ้าของเห็นอย่างนี้เรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้สึกว่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงในความเห็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน เมื่ อ, อได้ถูกพระพุทธเจ้าของเราตอบปัญหานั้นจิตของท่านเขาไปรู้ตามความจริงไหวความยึดมั่นหรือถือมั่นด้วยความเห็นของพรามนั่นจิตไปเมื่อความรู้ที่ถูกเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นความรู้ที่มันมีแต่ก่อนแล้วมันจิตอือันจึงได้เปรียบว่าเหมือนอยู่ในทีมืดไม่มีคนมาตามไฟให้สว่าง อันนี้เปอมันตันฉันนั้นในการเปล่งวาจาออกมานี้ออกมาจากจิตของทีคนาคาฟามในเวลานั้นทีคนาคาฟามก็ดุจไปจากมิจฉาจิต ท, ที่ยึดไว้ถือไว้เช่นนี้คนเรามันต้องเปลี่ยนอย่างนี้ปฏิบัติมันต้องเปลี่ยนอย่างนี้ มันต้องเห็นเช่นนั้นมันจึงระของมันไปได้อย่างนั้นมันก็ทิ้งของเก่าไม่ได้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยก่อนเราปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบเราก็เห็นว่ามันดีมันชอบอยู่นั่นเองแต่จึงทิ้งมันนีไปเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติจิตนาแล้วมันเปลี่ยนขึ้นมาใช่มมันกลับขึ้นมาครับหน้ามือเป็นหลังมือจิตนี้เปลี่ยนอย่างนั้น คือผู้รู้นั่นแหละผู้รู้ธรรมะผู้รู้อาการเช่นนั้นตัวผู้รู้นั่นแหละเรียกว่ามีปัญญาแล้วปัญญาเกิดขึ้นจากจิตนั้นจึงมีความสามารถเปลี่ยนจิตอันนั้นหรือเปลี่ยนความเห็นอันนั้นเพราะความรู้อันนั้นตามรักษาจิตอย่างนั้นจิตเป็นธรรมชาติของมันอยู่นะมันก็ละถอดมันไม่ได้ แค่นั้นนักประพฤติปฏิบัตินี้จึงสร้างความรู้อันหนึ่งให้เกิดขึ้นมารู้ยิ่งไปกว่าจิตอันนี้ที่เราเรียกว่าที่เราเรียกกันว่าพุโทโธเรียกว่าพุโทโธคือผู้รู้อันนี้เกิดขึ้นที่จิตสมัยก่อนผู้รู้เกิดขึ้นที่จิตยังไม่มี รู้แต่ไม่แจ้งรู้แต่ไม่จริงรู้แต่ไม่ถึงจึิงความรู้อันนั้นจึงอ่อนความสามารถไม่มีความสามารถที่จะสอนจิตของเราได้ในเวลานั้นจิตนั้นได้กลับเพลี่ยนออกมาเพราะความรู้อันนี้เรียกว่าปัญญาหรือญาณอธินักปฏิบัต ที่ปฏิบัติตันนี้ก็คือมาสร้างความรู้หรือมาสร้างยานอันหนึ่งให้มันเกิดรู้ดีหรือรู้ยิ่งกว่าที่รู้มาแต่ก่อนเพรรู้แต่ก่อนนั้นรู้ไม่ถึงที่สุดจิงไม่มีความสามารถแนะนำจิตของเราให้ถึงที่สุดได้ อันนี้มันเป็นสิ่นนี้มันรู้มาจากที่นั่นแหละไม่รู้มาจากที่อื่นนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านทีว่าให้น้อมเข้ า, าโอปายิโบน้อมเข้าอย่าน้อมออกไปน้อมออกไปแล้วก็น้อมเข้ามาดูเหตุผลมันให้หาเหตุหาผลที่ถูกต้องทุกอย่างเพราะว่า ของภายนอกและภายในนั้นมันเกี่ยวเนื่องถึงกันในการอยู่เสมอมันเกี่ยวเนื่องถึงกันอยู่เสมอดังนั้นปฏิบัตินี้ก็คือมาสร้างความรู้อันหนึ่งซึ่งให้มันมีกาลังมากกว่าความรู้ที่มีอยู่มาแล้ว ที่มีมาแล้วคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นที่จิตทำญาณให้เกิดขึ้นที่จิตจนมีความสามารถที่จะยังรู้กิรยกิย า, าจิตภาษาจิตรู้อุบายของจริษทั้งหลาย ทางพวงที่เกิดเป็นมาในจิตนั้นดังนั้นเมื่อเราฟังธรรมะเมื่อเราเข้าใจธรรมะแล้วฟังธรรมะไม่ยากฟังธรรมะไม่ยากจะอ่านหนังสือเท่านั้นก็รู้จักคือมันรู้ในหนังสือมันก็รู้ในจิตของเรามันรู้ที่จิตของเรามันก็รู้ที่ตัวหนังสือนะั้นถ้าจิตเราไม่สว่างถ้าจิตเราไม่รู้ จะไปดูตำราสักเท่าไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์แลเพราะจิตไม่รู้ปัญญาไม่เกิดขึ้นในจิตถึงวัตถุอันอื่นรือธรรมะอันอื่นที่สะอาดสักบันไดก็ตามแหละจิตนี้มันก็ไม่รู้เรื่องจิตนี้มันก็ไม่เห็นเพราะปัญญาไม่เกิด ฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนี้ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเราจะเห็นได้ว่าเราตั้งใจมาบวชปฏิบัติธรรมเราก็เข้าใจว่ามีศรัทธากันจึงมาบวช ในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมแต่ว่าอันนี้ก็จริงเหมือนกันแต่มีศรัทธาคือความเชื่ออยู่แต่ความเชื่ออันนี้มันนอกเหนวเพราะว่าความเชื่ออันนี้มันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันจริงไม่มีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันมีศรัทธาอยู่แต่ว่าปัญญาไม่พอมันก็เลยเป็นศรัทธาอาธิโมกข์ไปคิดว่นานักบวชนักพจเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเลยก็มาบวช ด, ด้วยศรัทธาจึงมาบวชในพุทธศาสนาอย่างนี้ที่มาบวชแล้วก็มาทำสิ่งที่ผิดๆอยู่นั่นแหละ ถ้าหากว่าเราเชื่อแล้วทำไมจริงๆเลยมาทำผิดๆอยู่อย่างนั้นเพราะศรัทธาทัานหมายว่าความเชื่อปัญญาหมายถึงความรู้แจ้งตามเป็นจริงมันคนละอย่างกันถ้าศรัทธาไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันก็เป็นศรัทธาทีโมใครตรงนี้ศรัทธ า, ทาเป็นอยนะเนี่ย เมื่อปัญญาพูดถึงปัญญามันก็มีปัญญากันถึงนั่นแหละอย่างนี้อันนี้มันเป็นของยากมันต้องเป็นของคนคิดพิจารณาอย่างสติสัมปชัญญะอย่างนี้แมวมันก็มเไม่มีสติมันเอาหนูไม่ได้ครับแต่คนจะไปไล่มันมันก็วิ่งหนีเกิดาดแม่ ถ้าไม่มีสติมันก็วิ่งไปไหนทางสัตว์ทั้งกวงมีสติสัมปชัญญะทางนั้นเนี่ยแต่ว่าสตินั้นสัมปชัญญะอันนั้นมันเต็มสติสัมปชัญญะที่นอกแล้วไปเที่ยมมันเป็นมิจฉาสติไปเที่ยมมันมียุทธกพุททุกอย่าง สติสัมปัชะทะที่ในทางการสรุธรรมยังสติสามโภชงแบบนี้เป็นต้นไม่ใช่สติอย่างนั้นมันเป็ น, นสติสัมปัชะทะที่เป็นองค์การสรุป ธ, ธรรมะมา เ, เนี่ยคนทําผิดผิดมันก็มีสติเท่านั้นแหละมันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิความสงบมันก็มีเหมือนกันมันก็เว้นมิจฉาสมาธิไปกันได้ อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปอท่านจึงเรียกว่าเรามาปฏิบัติมาภาวนาหรือเราจะฟังธรรมะแงได้แงหนึ่งก็ตามเถอะท่านจิงตั้งใจฟังให้ตั้งใจฟังให้รับฟังเราจะชอบในธรรมะข้อนั้นเราก็ตกฟังเราไม่ชอบในธรรมะข้อนั้นเราก็ตกฟัง แล้วก็ต้องฟังฟังไว้ปลาดทั้งหลายต้องฟังอย่างนั้นรับฟังทุกประการทำไมถึงเะยังงั้นเพราะว่าฟังไม่ได้ปฏิบัติเราฟังเพื่อปฏิบัติจิตใจของเรานั้นยังไม่ฟองใสบริสุทธิ์สะอาด เราก็เชื่อใจของเรายังไม่ได้ถ้าเชื่อใจของเรายังไม่ได้เราก็ไม่รู้จักว่ามันผิดจริงหรือถูกจริงหรืออย่างนี้เราก็ยังรู้ของเราไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติก็ต้อรับฟังบางสิ่งสิ่งที่เราคิดว่ามันผิดมันอาจถูกก็ได้เพราะเรายังไม่รู้แจ้ง บางสิ่งเราคิดว่ามันจะถูกถูกแต่มันผิดก็ได้เออเพราะความรู้เราไม่ถึงปัญญาเรายังไม่ถึงนั้นออมันเป็นอยู่อย่างนี้นี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตอนนียอย่าประมาทจะต้องเป็งคนฟังต้องรับฟังฟังแล้วเอาไปภาวนา ภาวนาคือการกระทําอย่างไรคือเอาไปคิจาจรณาให้มันรอบครอบพิจาจรณาแล้วคิจรณาอีกจนให้มันมีเหตุมีผลเกิดขึ้นในทีนั้นตามเป็นจริงหากว่าเมื่อเราฟังไปแล้วนั้นไม่ใช่ว่าเชื่อทีเดียวเก็บรวมไว้ เพื่อเราจะปฏิบัติคนเว่าให้มันเห็นตามความจริงเพราะว่าสิ่งที่เราคิดผิดนั้นเราเข้าใจว่าถูกเยอะไปไอ้สิ่งที่เราคิดถูกนั้นมันก็ผิดเยอะไปตบตรงว่าเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงนั้นจะต้องรับฟังในความะลบอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็ตัดสิ่นใจของท่านยังไม่ได้ เมื่อท่านออกบวชใหม่ๆท่านก็แสดงหาโมคกธรรมเหมือนกันไปดูอะไรแต่ก็ดูไปทุกอย่างที่มีปัญญาแสดงหาครูบาอาจารย์อุตสการาบทอรัญลาบทจงนีท่านก็ไปไ ป, ไปทําดูไปพิจารณาดูเขาไปปฏิบัติ ด, ดู นั่งสมาธิยังไม่เคยนัง่งท่านก็ไปนั่งดูนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตานออยัอยงนี้ก็ดีเหมือนกันอะไรก็ปล่อยวางไปหมดอาลาหุ่นโกล่เป็นมาเทปเอเนี่ยเมื่อมาโผล่กันมาแล้วเมื่อสุดก็เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นในจีตนั่นท่านก็รู้จักว่าเอออันนี้ ปัญญาเรายัางไม่รู้ยังไม่แจ่มแจ้ ง, งยังไม่เข้าถึงยังไม่จบนี่ยังเหลืออยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ได้ความรู้นั้นกันตรงนี้มาจบไปออกไปใหม่จะเล็กนะครูบาอาจารย์เมื่อออกจากครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านจะไม่ดูถูกไม่ดูมีอ่า ท่านทำเหมือนกเป็ น, นแมลงปู่อที่มันเอาน้าหวานในสีดอกไม้ไม่ให้ดอกไม้ ม, มันทำอย่างนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นอรันดาบทไปเห็นอีกท่านก็เรียนอีกได้ความรู้สูงยิ่งไปกว่าเก่าเป็นสมาบัติสมาบัตินี้เมื่อออกจากสมาบัติมาแล้ว อราพิมพาราหุนกโกโค่ขึ้นมาอีกเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นมาก็ยังมีความกำหนัดรักพ่ายอยู่ท่านก็เห็นในจิตของท่านว่าอันนี้ก็ไม่ถึงที่สุดเหองกั น, นท่านก็เลิกแล้วไปอย่างนี้เป็นต้นอือันนี้ท่านพยายามท่านฟั ง, ฟง ท, ท่านฟังทีนี้อทําไปชนีดสุดนิสัยของท่านท่านก็มามองเห็นปีณาแล้วว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้กัรกระดทางจิตท่านค้นของการตั้ตรวจดูบผลงานของท่านตลอดการตลอดเวลาไม่ใช่ว่าท่านทาแล้วท่านพิ้งไปท่านทำแล้วทิ้งของก่านไปไม่ใช่อย่างนั้นท่านติดตามผลงานของท่านตลอดเวลาทีเดียวอืมเมื่อเห็นว่าการกระทําเพียงทางจิตนี้ เรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วห้านจึงกับมาทรมานเมื่อทรมานเสร็จการทรมานนั้นมันเป็นเรื่องของกายการอดข่าอดปลาการทรมานให้ร่างกายมันทูบที่บอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกาย กายมันไม่รู้เรื่องอะไรอืมกายไม่รู้เรื่องอะไรคล้ายๆกับไปตามค่าไอ้คนที่ไม่ได้ขโมยไอ้คนที่ไม่เป็นโจรไอ้คนที่เป็นโจร น, นั่นไม่เคยได้ไปสนใจสมัยก่อนอืมเรื่องกายนั่นเขาไม่ได้เป็นโจร ไมได้เป็นโจรเข้าใจว่าเขาเป็นโจรโดยไปตะคอกเกี๋ยพวกนั้นไปคุมขังเกี๋ยพวกนั้นไปเบียดเบียนเจี๋ยพวกนั้นด้วยเป็นไปในถ น, นองนี้เมื่อท่านพิจารณาไปแล้วท่าน่ไม่ใช่เรื่องของกายมันเป็นเรื่องของจิตแต่กามาสุขันิการโยโคนี่อันตร ก, กิ ร, ริมัฏฐา น, นโยคเนี้มันเกิดผลอย่างนี้ พระพุทธเจ้าผ่านไต่รู้แล้วจึงเข้าใจว่าอันนี้รู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่คนนี้อันนี้มันเป็นคนมันเป็นกายไอความจริงๆพระพุทธเจ้าทางหลานถักกัดระดูุทางจิตต่อมานั่นทงางเจมจะเดินทางจิตจิตนี้เป็นของที่สำคัญแต่ก่อนมาคนไปขโมยเด้วไปจับคนหนึ่ ง, ค น, นงคนหนึ่งทําผิดไ ป, ไปให้โทษคนหนึ่ง อย่างนี้มันไม่ถูกทีนี้ท่านประมาะตั้งจิตอธิษฐานเดทีกรนาใหม่เดือนของจิตเห็นเดือนของจิตแล้วนั่นท่านจึงมาบำเพ็ญทางจิตเดืองกายก็ปล่อยธรรมธรรมดาของมันไเรื่อยไปทีนี้รู้แล้วรู้ตัวมันเกิดเนี้ยรู้เหตุเนี้ยรู้เหตุที่มันเพียรเกิดเนีย มันเกิดขึ้นตรงไหนถ้าเห็นเหตุมันแล้วมันเกิดขึ้นที่จิตอ่ามันจะเป็นเหตุมันก็เป็นเหตุเกิดขึ้นที่จิตมันจะหลับไปมันก็หลับไปที่จิตมันจะผิดมันก็ผิดที่จิตมันจะถูกมันก็ถูกที่จิตไม่ไปผิดจะถูกที่ไหนอ่านั่นท่านมีความยืนยันอย่างนี้ อย่างนั้นท่านจิงน้อมเข้ามานี่ไม่ได้น้อมออกไปท่านจิงน้อมเข้ามาพิจารณารวมลงที่จิตนั้นทาจิตให้สงบแล้วท่านก็จิตที่สงบนั้นมาพิจารณาให้รู้เท่าสกโกตายทั้งหลายทั้งปวงนี้ อ, อันหนึ่งมันเป็นลูกอันหนึ่งเป็นนาม อันหนึ่งมีรูปอันหนึ่งไม่มีรูปมันเป็นแต่เพียงอาการมองเห็นโวยตาก็มีมองเห็นโว ย, ยตาไม่ได้ก็มีคือนนามรวมเข้ามาสองอย่างคือกายกับจิตนี้เรียกว่ารูปนามนท่านจริงมาเรียนให้รูปรูปนามอันนี้เรียนให้รูปรูปนามอันนี้คือรูปกายกับจิตอันนี้ ไห้ติดตัวมนุษย์สัตว์ทางหลายถือว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขานี้ก็คือรูปนามนี้รูปนามนี้ก็คือกายตัเกิบมีย่อเข้ามาที่สุดโดยทีเดียวให้เห็นชัดอย่างอื่นไม่ต้องพัฒ น, นาไปมากท่านก็พิจนามนีสติอยู่ที่กายที่กิตของท่านตรงนี้ไม่ได้ห่างจิตจากของอะรที่นี่รู้จักเหตมั้นแล้ว มันเกิดที่นี่ท่านก็ดูมันอยู่ที่นี่มันเกิดที่นี่ถ้ามันดับมันก็ดับไปที่นี่ไม่ไปเกิดที่อื่นไม่ไปดับที่อื่นมีความมั่นหมายเขาแล้วที่นี่ชัดเจนเนี่ยท่านก็ตั้งใจบาเพ็ญเพียงดูอาการของจิตเรื่องกายก็ดีเรื่องจิตก็ดีรู้แล้วมันก็ให้รวมมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องอนันตรจังเป็นเรื่องทุกขัง เรื่องอนตจามันเป็นสเปียงว่าธรรมาธาตุอันหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นปัใจจัยให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปอีก ที่มันเปลี่ยนเช่นนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ตาอไม่ใช่มีอะไรเป็นแต่พอเพียงแบความรู้สึกเท่านั้นนยสุขมันก็ไม่มีตัวมีตนทุกก็ไม่มีตัวมีตนเมื่อคนคว่าหาตัวตนจริงๆแล้วไม่มีไม่มีใครมาเป็นตัวเป็นตัวนยมีเพียงมาเป็นธรรมธาตอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ลาไป เป็นตะเพียงว่าความรู้สึกชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันก็หมุนเยียนเปลี่ยนไปเท่านั้นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นก็มาเข้าใจว่าการเกิดขึ้นนั้นเป็นเราการตั้งอยู่เป็นเราการดับไปนั่นมันเป็นเลนะ่านะก็ประยุท์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างอื่น เช่นว่าเกิดแล้วไม่อยากให้สลายไปสุขแล้วไม่อยากให้ทุกข์ทุกข์ไม่อยากให้เกิดถ้าเกิดได้อยากให้ดับเร็วๆหรือไม่ให้เกิดโดยดีมากอย่างนี้ก็เพราะเห็นมารูปนามนี่เป็นตัวเราเป็นของเราจึงอยากจะมีความปรารถนาอยากได้รูปนามเป็นอย่างนั้น ถ้าความเห็นเป็นอย่างนี้มันก็เกิขายก็ว่าอสร้างทำนบสร้างเขื่อนไม่มีทางระบายนะ้ำโทษมันก็แคเขื่อนมันจะพังเท่านั้นเองเลยไม่มีทางระบายอันนี้ตัวเงือนกันเห็นนั้นทีนี้พระพุทธองค์เห็นว่าเมื่อความคิดเป็นเช่นนี้ เมื่อความเห็นมันเป็นเช่นนี้อันนี้แหละคือเป็นเหตุในทุกข์เมื่อคิดเช่นนั้นปฏิบัติเช่นนั้นเข้าใจเช่นนั้นทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเดียวนั้นนี่ท่านเห็นเหตุอันนี้ท่านจึดต่ดว่าอันนี้คือสมุทัยสัตว์ทุกขษัตย์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์ มันติดอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นละ่ะติดที่ที่ตรงนี้คนจะหมดสงสัยกว่าหมดที่ตรงนี้เมื่อเห็นว่าอันนี้มันเป็นรูปนามนี้อื้อายกับใจนี้ที่เจรนาแล้วที่มันเกิดมาแล้วอันนี้มันก็ให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา มันเป็นไปตามธรรมชาติมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะอันนี้โดยการแจ้งนะมันก็ตัดเหตุที่ออกไม่มีเหตุไม่วางเหตุแล้วตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุเมื่อหมดเหตุแล้วทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ไม่มีมันก็หลับ มันก็เรื่องเท่านี้เองเรื่องเราไม่เห็นชัดเจนเรื่องนี้ไม่มีเรื่องอื่นจะปฏิบัติกันที่ไหนที่ไหนก็ตามเถอะมันตรงมาโรงเงียนี้แต่ว่านักปฏิบัติในสมัยนี้นั่น อ, อมันมีคนฉลาดมากแต่งการประพฤติปฏิบัตินี้ จนพวกเราทั้งหลายจะจับไม่ถูกนะจับการปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเอากระขาเป็นโน่นเป็นนี้สารพัดอย่างแต่ว่าก็เป็นแต่คนที่ยังไม่เนี่ยชัดในใจของเราถ้าเรารู้จะเหตุผลตามเป็นจริงที่ถูกแล้วนั่นไม่หวั่นไหว อย่างสมัยนี้ไปดูนั่นภาวนาไปดูนั่นไปดูนี่ไปหาพระพรมนูน่นหาเทวาโน่นตามยินญาณ น, น, น, น, น, นู่นยินญาณนี้เพราว่ากันไปตามเรื่องมันเออไอเราที่นักปฏิบัตินี้ก็ยังไม่รู้เรื่องการไปกินก็วนยิงยิ่งไปเรื่อยในความเป็นจริงท่านไม่ไปไหวพระพรมหรอกไม่ไหวเทวดาตรงไหนไหรอกมาหาตัหาดวงยิน ญ, ญาณที่ไหนหรอก จะพูดสั้นๆง่ายๆวิญญาณก็คือตัวรู้เรามีหูที่นี่เราก็มีวิญญาณผมพูดไปแต่รู้จักนั่นวิญญาณจะงูเครื่องิีนเหม็นนั่นนั่นก็รู้แล้วนั่นวิญญาณหอมก็รู้เป็นวิญญาณจักปูกิญญาณโสตะกิญญาณฮานะกิญญาณชิวหาวิญญาณกายกิญญาณมโนวิญญาณรู้วิญญาณตัวนี้ก็พอแล้ว วิญญาณนี่ก็ไม่ชัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอยู่แหละท่านมหายุทธมั่นถือมั่นอีกอันนี้มันก็เป็นนามธรรมาอีกอันนี่อ่แหละมันก็อยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี่แหละถ้าเรารูจากลักษณะของมันตามเป็นจริงแล้วล้วก็รวมลงมาเชื่อว่าอันนี้ร้วนแต่วันเป็นอนิจจงเป็นของไม่เที่ยงเช่นนั้น รวนแต่ว่ามันเป็นถูกขังทั้งนั้นมันไม่เปลี่ยนอย่างนั้นรวนแต่ว่ามันเป็นอนิจจังทั้งนั้นจะไปจับที่ตรงไหนแล้วไปแตะตรงไหนมันกระทุกแล้วแต่ยึดไม่ได้เพราะไม่เจตัวไม่เจตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วเป็นธรรมธาตุหนึ่งตั้งจะมาหลับไปไม่มีใครจะมีอำนาจเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้น ที่เรามาปฏิบัติแหรู้ตามสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่มีอำนาจจะ ก, กไปเกี่ยวข้องในที่นั้นไปบริหารการงานในที่นั้นไม่มีเราจะไปเป็นเจ้าขี้เจ้าการไปแต่งไปตั้งตรงนั้นไม่ได้มันเป็นทุกข์เพราะเราไม่ใช่เจ้าของอันนั้นเดียว่ามันเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วทั้งอยู่แลว้วก็หลัไปเราจะเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ได้ทางกายและจิตอันนี้ ถ้าเราตัดสินอันนี้รู้อันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่แล้วก็เห็นอยู่มันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นมันก็ก้อนเด็ก แ, ดแรงๆก้อนหนึ่งไปเผาไฟใเ่ีหมมันร้อนอยู่ ท, ทั้งหมดนั่นแหละอย่างนั้นทํานี่เป็นอย่างนั้นบุตรจะเอามือไปแตะทางบนมันก็ร้อนไปแตะทางล่างมันก็ร้อน ไปแตะข้างๆมันก็ร้อนไปแต่ข้อนทางโน้นทางนี้มันก็ร้อนเพราะ น, นั่นมันร้อนให้เรา้าใจอย่างนั้นอันนี้เป็นส่วนธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติมันถึงตรงนี้ฉะนั้นการปฏิบัติเช่นนี้เราจะปฏิบัตินั้นเห็นว่าไม่เป็นอย่างนั้นโดยมากปกติของเรานะเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วนะ มันก็อยากมีมันก็อยากเป็นมันก็อยากรู้มันอยากเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเป็นอะไรไม่รู้ว่าจะไปเห็นอะไรแต่ก็อยากรู้แต่ก็อยากเห็นแต่ก็อยากเป็นแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรจะเป็นอะไรแต่ไม่รู้ล้วผมเคยเห็นลูกศิษย์คนหนึ่งมาปฏิบัติกับผมนะนนะครั้งแรกปฏิบัติมันวุ่นวาย เมื่อมันุ่นวายก็เกิดสงสัยไม่หยุดเหมือนกันแล้วก็ทําไปสอนไปเรื่อยๆไปให้มันสงบที่นี้เมื่อจิตสงบแล้วก็ยังหลงอยู่อีกว่าจะทํายังไง็น่างอีกต่อไปเนี่ยวุ่นวายเขาก็เห็นแล้วไม่ชอบมันเพราะชอบความสงบวันนี้มาทําจิตเป็นมาสงบแล้วมันเขาก็ตอบว่าเขาก็ไม่เอาอีกแล้วจะทํายังไงอีกต่อไปนี่แหละเป็นตัว เพระนั้นการทําปฏิบัตินี้ทุกอย่างพวกเราทั้งหลายนั้นไปทำด้วยการปล่อยวางอืทําด้วยการปล่อยวางการปล่อยวางนั้นมันจะปล่อยวางได้ยังไงมันเกิดความรู้เท่าเหมัอนจะให้เรารู้จักว่าลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนี้ลักษณะของกายมันเป็นอย่างนี้เรานั่งเพื่อความสงบ แกว่าเรานั่งเข้าไปแล้วมันเห็นความไม่สงบคืออาการของจิตมันเป็นอย่างนั้นเองมั น, นก็เราตั้งจิตที่รมหายใจของเราที่ปลายจมูกหรือริมจีบปากของเราเร็นนี้เราจะทำสมาธิเราก็ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้ไว้ คืความรู้นั่นแหละตั้งตรงนี้ไอการฝึกใหม่ๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อยกขึ้นมาตั้งเป็นไว้เรียกว่าเป็นวีตกยกไวเมื่อยกเป็นวีตกกำหนดอยู่ที่นี่นะไอดีตกนี้เป็นวิจาร์นะคือการวิจัยการวิจัยที่ ปลายจมูกหรือที่ลมเนี่ยนะเป็นแถวๆไปเรื่อยมันจะเป็นยิจาร์ยิจาร์นี้มันจะทุกขีกับอารมณ์ของเก่าๆล้านั่นนะอารมณ์ได้ก็ช่างมันเถอะมันก็ต้องพิจารณาเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานั้นทุกขีไปกับอารมณ์เรื่อยๆไปเป็นธรรมดาของมัน เ, นเราก็คิดว่าจิตมันจะไม่นิ่งไม่อยู่ใช่ล้ว ไอ้ความเป็นจริงอันนั้นนะ่ะมันเป็นมันเป็นดีจาร์มันต้องคลุกปีไปกับอารมณ์แบบนั้นทีนี้เมื่อมันถล้ำไปในทางที่ไม่ดีมากเป็นอารมณ์มากมันจะดึงไอ้ความรู้สึกวิงจิตขงเออกไหา่างไปมากเรามีสติอยู่เราก็ตั้งใจขึ้นใหม่ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้อีกนะดีกว่ามีตกนี้เมื่อเราตั้งอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งมันเกิดดิจาร์ติจนาต้อ พุ่งีไปกับอารมณ์เรื่อยๆไปแต่ว่าเมื่อเราเห็นอาการเป็นเช่นนี้ไอ้ความไม่รู้ของเรานั่นกเกิดขึ้นมาว่ามันไปทำไมเราอยากให้มันสงบทำไมมันไม่นิ่งอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นคือเราทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นของเราถ้าเราเข้าใจเสียว่าไอ้กิริยาของกิตมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น เรามาเข้าใจซะอย่างนี้ซะอันนี้เราไปเพิ่มว่าเราอยากให้มันนิ่งทําไมมันเป็นอย่างนั้นได้ไม่พอใจได้เอาไปทับกันต่ออีกทีมันก็เลยเพิ่มความสงสัยเพิ่มเพิ่มความทุกข์เพิ่มความความวุ่นวายขึ้นมาอีกไอความเป็นจริงถ้ามันมีวิจารณ์มันคิดไปตามเรื่องตามราวกับอารมณ์เรื่อยไปอย่างนั้นถ้าเรามีปัญญานะเราก็ควรเอออันนี้เรื่องจิตมันเป็นอย่างนี้เองนะ ผู้รู้ผูนึงบอกอยู่ตรงนั้นเรื่องกิจมันเป็นอย่างนี้ของมันเองอยู่แล้วนี่อย่างนี้มันก็สงบลงไปเมื่อไม่สงบเป็นตนระยกเป็นวิตกขึ้นมาตั้งใหม่ตรงเนี้เดี mm ๋ย hmm. วพักหนึ่งแล้วมันอยู่ความสงบของมันไปน้อยมันก็เกิดวิจารเด็กตามอารมณ์นี้วิตกวิจาร์มันเป็นอย่างนี้ย วิจารไปตามอารมณ์เมื่อวิจารณ์ไปมันก็มันก็จางไปจางไปจางไปเราก็ยกขึ้นมาอีกอยู่อย่างเนี้ยมีการกระทําความเพียรเท่า น, นั้แต่การกระทาในเวลานี้ต้องทําดยการปล่อยวางเห็นความวิจาร์ไปกับอารมณ์อารมณ์เมื่มมเกิดขึ้นมานั้นไม่ใช่ว่าจิตเราวุ่นแต่เราไปคิดผิดเท่านั้นวะเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่สบาย แตเพราะเราอยากให้มันสงบมันไม่สงบแถวนี้ยตรงนี้มันเป็นเหตุคือความเห็นผิดถ้าเรามาเปลี่ยนความเห็นสักนิดถึงว่าเออกิริยาจิตมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้เท่านี้มันก็ลดลงแล้วนี่เดียวกว่าการปล่อยวางเราก็มีแล้วแล้วก็ทําไปทีนี้มิตกุิจาร์นั้นไอการวิจาร์นั้นต่อไปนะอีกการ์นั้น ถ้าเราคิดเช่นนี้ในยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้คือเรียกว่าททำโดยการปล่อยวางปล่อยในการกระทำนั่นแหละกระทำในการปล่อยนั่นแหละปล่อยในการกระทำกระทำในการปล่อยอย่างนี้ให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ในใจของเราไอ้ที่เรื่องนิจานนั้นมันก็ไม่มีอะไร ถ้าจตเราหยุดวุ่นวายในเรื่องวิจารณนั้นวิตกวิจารณ์ไอการวิจารณ์นั้นมันจะเป็นเรื่องซอกค้นหาธรรมะนัะ่นน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ซอกค้นหาธรรม ะ, ะมันจะไปเกิดวุ่นวายอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราคิดไม่ถูกห้ความยนริงวิตกแล้วกวิจารณวิตกวิจารณไอวิจา ร, จารมันจะค่อยละเอียดไปนะดดปเดือไปที่แดงกวิจาร์ไปประลำประละไปเต็มตัวไป พอเรารู้จากวิจิริยาของกิตมันต้องเป็นอย่างนั้นเองของมันมันเป็นอย่างนั้นมันไปทําไมใครถึงนั้นเนี่ยนี่ยมันเต็นมย่ที่ตรงเราไปยึดมั่นถือมั่นนี่ตรงนั้นมันไม่เป็นอะไรของมันเหลียนอย่างน้ามันไหลมันก็ไหลเพรมันไปตามน้าอยู่นั้นเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นมันไหลไปทําไมเกิดทุกข์แล้วถ้าเราเข้าใจว่าเออน้ามันก็ไหลตามเรื่องมันี่มันก็ไม่มีทุกข์แล้วมันก็ไหลของมันอยู่อย่างนั้น ไอ้เรื่องวิจารนี่ก็มันกันชนนั้นนี่ตกแล้วกว่าวิจารณนี่ตกแล้วกว่าวิจาร์ครุกคีกว่อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจะเราทําจะเราเอาอารมณ์นั้นมาทำกรรมฐานในจิตสงบก็เอาอารมณ์นั้นะมันเป็นอารมณ์จิตสงบนั้นมันก็เป็นอารมณ์เอาอารมณ์นั้นแหละมาวิจารณนี้ก็มันกันกับอารมณ์นั้นถ้ามันรู้เรื่องของจิตอย่างนี้มันก็ปล่อยวาง ก็จะปล่อยหน้าใน ม, มันไหลไปไอเรื่องวิจารนั้นก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่วันจะหยิบเอาซังขานเป็นมาวิจารณก็ได้ความตายมาวิจารณก็ได้เอาธรรมะอันใดหนึ่งมาวิจารก็ได้นี่เมื่อมันถูกเช่นนี้นะเมื่อมันถูกจะดิบมันขึ้นเมื่ อ, อไรนะมันก็เกิดความยิ้มขึ้นมาเนี่ยความยิ้มขึ้นมาคืออะไรคือปีติ วิตกวิจารปิติตมันถูกลักษณะมันแล้วเนี่ไม่มละเอียดมากก็ต้องเป็นอย่างนี้เกิดปิติความอิ่มใจเกิดปิติความอิ่มใจขึ้นมาแล้ว น, นี่มันเข้าขั้นกับรายละเอียดกับไปเนี่ยเกิดสุขขึ้นมาเกิดปิติความขน พองสยองก้าสู้สาดึ้นมาหรือตัวเบาอะไรเนี่ยใจมันก็อีกแล้วก็พิจิแล้วก็มีความสุขในที่นั่นเองไอความสุขมันอยู่ที่นั่นแหละปรากฏเลอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วก็ทั้งนี้ความสุขอีกก็มีอารมณ์อยู่อารมณ์มันก็ผ่านอยู่ก็เป็นเอกกาตารมเนี่ยเอกะกะตารม มีอารมณ์อยู่จะเป็นเอก ก, กตารมคืออารมณ์อัเดียวนี่ถ้าพูดไปตามาคณะของจิตมันตก็เป็นอย่างนี้วิตกวิจารปิติสุขเอกะ ก, ะกตาเนี่ยถ้าขั้นที่สองไปเป็นไงล่ะจิตมันละเอียดแล้ววิตกวิจารณหยาบมันหยาบมันก็ล้นไปอีก แล้วก็ที่งมีตกวิจาร์เดือดแต่ปีตีสุขเกรกตะตาอันนี้เรื่องจิตมันดําเนินการเองวันอืน่ะทำไมต้องรู้อะไรมันรู้ความเป็นอย่างนี้บัตรนี้มีตกวิจารนไม่มีเดือแต่ปีตีสุขเกรกตตาแล้วก็รู้จักอืปีตีมันหนีไปไหนมันมานี้ไปที่ไหนหรอก กิจของน้อมันละเอียดขึ้นไปมันก็ทิ้งส่วนที่มันหยาบเท่านั้นเองส่วนไหนมันหยาบมันก็ทิ้งไปมันก็ทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆไปจนจนถึงที่สุดของมันที่ท่านเด็กกำลังว่าฌานนี่อะไรของท่านะสงบถึงที่สุดแต่เราก็คือมันทิ้งทิ้งทิ้งไปเลยเรืยเอกตาอุเบกขานี่มันก็ไม่มีอะไรเท่า น, นั้นน่ะมันจบ มเมื่อจิตเราดําเนินการประพฤติปฏิบัติมันจะต้องไปในรูปอันนี้ทางมันไปนี้แต่ว่าขอแต่เรามีปัญญาสักหน่อยหนึ่งซะว่าไอ้ที่เราทํำทางแรกเนี่ยเราต้องการความสงบให้จิตสงบแต่จิตนี้มันก็ไม่สงบเราก็อยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบอันนี้คือเราทําำในความอยากแต่เราไม่รู้จักว่าเราทำํำในความอยากคือเราอยากให้มันสงบ เรื่องนั้นมันไม่สงบอยู่แล้วแล้วคนนี้อยากใครมันเป็นสงบไอ้ยานี่แหละมันเป็นเหตไม่ใช่อื่นนี่นี่คือความอยากอยากใครมันสงบนี่เราไม่เข้าใจว่าตัญหาเราอยากให้จิดสงบไอ้ตัวนั้นทำไมสงบแล้วก็เพิ่มนลำนาขึ้นอี ก, กนี่แล้วก็ยิ่งอยากขึ้นมัน ก, ก็ยิ่งไม่สงบขึ้นเนี่ยก็เรื่องการทะเลาะทะเลาะกันไปเรื่อยเืยไม่ได้หยุดเออก็เลยนั่งถะเลาะกันคนอยู่นั่นแหละนี่ก็เพราะอะไร เพราะเราไม่น้อมกลับมาว่าเราจะต้านจิตอย่างไรไอรู้สภาวะของมันเพระว่าเรื่องคณะจิตมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้ามาเกิดขึ้นมาในเวลาใดต้องเราพิจารณาอย่างไรเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องจิตเนี่ยลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนั้มันไม่ไปทําไมใครอ่ะเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นโทษมันก็เอาใหญ่ตามแก้มันไอความเป็นจริงมันไม่มีโทษออกเห็นว่าลักษณะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้น เราจะตั้งนิถกวิจาร์นมิถกวิจารณ์เนี่ยมันก็พ่ลงมาเน่อนลงมาด้วยด้วยด้วยมานมันก็ไม่รุนแรงที่มันมีอารมณ์มาแล้วก็วิจาร์ไปวิจารณ์นหรือวิจัยนั่นเนี่ยทุกขีไปกับอารมณ์นั่นแหละมันจะรู้เรื่องอยู่กับอารมณ์นั่นเองไม่ใช่อื่นอันนี้เราไปทะเลาะกันก่อนทะเลาะก็เราตั้งใจได้เอิอืนว่าเราอยากจะทําความสงบ เมื่อนั่งทุบต่อไปแล้วอารมณ์มากวนเลยยกขึ้นมาเส้นนี้มาอยู่แล้วแล้วกพิจารณาออกไปแล้วตามอารมณ์แล้วคนนึกว่ามันมากวนเราแล้วก็ความเป็นจริงมันเกิดจากที่นี่น่ะเกิดจากความเห็นอย่างนี้น่ะที่มันอยากอยากนี่แหละถ้าหากเราตั้งใจเห็นว่าเออไอเรื่องจิตนี้มันก็เป็นจิตอย่างนี้มันเป็นตัางมาอยู่มั่นต่ออาศัยการไปการมากิจยาของมันนีะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ ถ้าเราไม่เอาใจใส่มันจ้ะถ้าเรารู้เรื่องของมันจะแล้วเหมือนกันถ้าเรารู้เรื่องของเด็กน้อยมันไม่รู้จักอะไรมันจะมาพูดกับเราพูดกับแขกมันจะพูดยังไงก็พูดไปตามเรื่องมันไปถ้าเราไม่รู้เรื่องของเด็ ก, กแล้วโกรธแล้วก็เป็นทุกข์เกรียดอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเรารู้จักเรื่องของเด็กแล้วแล้วก็ปล่อยเท่านั้นหนึ่งเด็กมันก็พูดว่ามันไปอย่างนั้นน่ะเด็กทุกๆคนมันก็เป็นอย่างนั้น เมื่อเราปล่อยภาระอย่างเนี้นะไอความไปยึดในเด็บนั้นมันก็ไม่มีอนั่นจะปรึกษาในกาก็พูดกัไปตามสมายเรื่องเด็กมันก็คุิก็เล่นไปตามธรรมดาระมันไอเรื่องอารมณ์นี่มันก็มันการเป็นต้นเรื่องของจิตมีมันก็ต้องเป็นเพระมันอยู่อย่างนี้ไม่มีทิศอะไรนอกจากเราไปหยิตมันขึ้นมาเดี๋ยไปยึดมันหรือไปตะคุบมันเท่านั้นแหละมันก็ไปเดี๋ยวเป็นมาทีเดียวแต่เรามีสติอยู่ไม่ให้ปล่อยสติ ถึงมันมีอารมณ์เราก็มีต